เนื่องจากตอนนี้ฝนตกเสียงมันค่อนข้างจะดังพูดแล้วไม่ค่อยได้ยินก็ เ, เลยต้องขอให้นั่งรอไปสักพักก่อนนั่งทาสมาธิไปสักระยะหนึ่งพอฝนหยุดแล้วค่อยพูดธรรมะให้ฟังต่อไปนั่งตามสบายขัดสมาธิได้นั่งขัดสมาธิหลับตา ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเอาเดี๋ยวพอฝนหยุดแล้วเสียงสงบแล้วจะพูดธรรมะต่อไปตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้วก็จะขอพูดธรรมะต่อไป การศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ควรจะกระทํากันอย่างต่อเนื่องอย่าขาดอย่าขาดตอนควรจะทําสม่ําเสมอทําอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นไปตามลําดับ ทำให้มากขึ้นไปตามลำดับเพราะผลอยู่ที่เหตุคือการศึกษาการปฏิบัติธรรมนีเองถ้า ป, ปฏิบัติเท่าเดิมผลก็จะได้เท่าเดิมถ้าปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมผลก็จะได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าปฏิบัติน้อยลง ผลก็จะได้น้อยลงไปนี่คือหลักความจริงหลักของเหตุผลพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันให้มากทรงตรัสว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นบรรลุผลคือหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วย ความเพียรไม่ได้หลุดพ้นด้วยความคิดด้วยความอยากอยากจะหลุดพน้นแต่ไม่ขยันศึกษาไม่ขยันปฏิบัติธรรมผลก็จะไม่เกิดความอยากนี้เป็นเหตุให้เรามาขยันศึกษาธรรมะมาขยันปฏิบัติธรรมกัน เมื่อมีความขยันหมั่นเพียรแล้วไม่ช้าก็เร็วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระหรือเป็นคารวะไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กกะเพศเหล่านี้ไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะทำให้บรรลุธรรมกัน เหตุที่จะทำให้บรรลุธรรมกันก็คือความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรที่จะศึกษาอย่างต่อเนื่องที่จะปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วผลก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฆรวาดหรือเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ ผลเกิดจากเหตุคือความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติการปฏิบัติต้องอาศัยการศึกษาเป็นผู้นําถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่ศึกษา ก็อาจจะปฏิบัติไม่ถูกเมื่อปฏิบัติไม่ถูกผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาหรือถ้าเกิดก็เป็นผลที่เราไม่ปรารถนากันผลที่ไม่ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็จะไม่ดีถ้าเหตุดีผลก็จะดีดังนั้นในเบื้องต้นต้องหมั่นเพียรศึกษา เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆการศึกษานี้ก็สามารถศึกษาได้หลายวิธีด้วยกันอ่านหนังสือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไวในพระไตรปิฎกหรือที่ได้มีการคัดลอกออกมาจากพระไตรปิฎก อันนี้ก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งหรือจะฟังเทศฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้ามีโอกาสได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ควรเข้าหาเพื่อที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านหรือรับหนังสือธรรมะของท่าน ที่ท่านมีไว้แจกให้พวกเรานําเอาไปศึกษากันต้องศึกษากันทุกคนเพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกนี้พวกเราไม่รู้กันมาก่อนไม่รู้วิธีที่จะทําให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์กันเราเลยต้องไปเรียนจากผู้รู้ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ผู้ที่รู้และได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพอพระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็นําความรู้ที่ทําให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าพอน้อมนําเอาไปปฏิบัติก็ สามารถทำให้ใจของตนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นหลังจากนั้นก็สามารถเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ผู้ที่ไม่รู้ก็จึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเข้าหาพระอริยสงสารวก็ดี ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ให้เข้าหาตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหนังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่า พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาคือเราเพราะตัวแทนของเราก็คือพระธรรมคำสอนที่เราได้สอนไว้และได้มีการจดจำเอาไว้นี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปขอให้พวกเธอเข้าหาพระธรรมคำสอนหรือไม่ฉช่นั้นก็ให้เข้าหาพระอริยสงสาวกของเรา เขาจะสอนให้เรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้นี่คือความสำคัญของการศึกษาของการเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการศึกษานี้ก็ไม่ได้แยกออกจากการปฏิบัติเพราะว่าสามารถศึกษาแล้วก็นำา อ, อกไปปฏิบัติ ภายในเวลาเดียวกันได้หรือเวลาต่อมาได้เช่นฟังธรรมเสร็จชั่วโมงหนึ่งเราก็สามารถเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติต่อได้เลยไม่ต้องรอให้เรียนจบหลักสูตรความจริงหลักสูตรของธรรมนั้นก็มีไม่มากมีทานศีลภาวนา น, นี้เท่านั้นเอง ที่เราจะต้องเรียนรู้และนำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องดรงนั้นเราสามารถที่จะเรียนและควบคู่ไปกับการปฏิบัติได้อย่าไปแยกการเรียนออกจากการปฏิบัติเพราะว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์ถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเดี๋ยวเราก็จำไม่ได้เรียนแล้วเดี๋ยวเราก็ลืม แต่ถ้าเราเรียนแล้วนำเอาสิ่งที่เราเรียนมาปฏิบัติมันก็จะไม่ดื่มเพราะเราเอามาใช้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการปฏิบัติควรจะศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับต่อไป ในแนวทางการปฏิบัติของพระปฏิบัตินี้ครูบาอาจารย์ท่านจะคอยอบรมสั่งสอนอยู่เรื่อยๆทักทุกห้าวันเจ็ดวันท่านก็จะอบรมสอนธรรมะแล้วก็ให้พระลูกศิษย์นำเอาไปปฏิบัติต่อทันทีให้ทาหน้าที่รักษาศีล เศสีล2ิข้อของพระให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ปฏิบัติข้อทุดดงขาวัดต่างๆที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปให้จเจริญกรรมฐานคือให้จเจริญสติโดยการใช้กรรมฐาน ที่เป็นอารมณ์ที่จะทำให้เกิดสติขึ้นมาเมื่อมีการเจริญสติก็จะสามารถเข้าสมาธิได้เมื่อเข้าสมาธิจิตก็จะสงบมีความสุขจะพบว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบก็จะทำให้สามารถเอาปัญญามา สอนใจให้เลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถึงแม้จะให้ความสุขแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวๆได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปความสุขหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ก็ต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆคอยหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้หาอยู่เรื่อยๆหาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหรือต่อไปร่างกายไม่มีความสามารถที่จะหาได้เพราะร่างกายก็จะแก่ลงไปตามลําดับเรี่ยวแรงก็จะมีน้อยลงไปตามลําดับการจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขจากการทาใจให้สงบนี่เราจะสามารถหาได้ทุกเวลานาทีทุกสถานที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาใดไม่ว่าร่างกายของเราจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะตายหรือไม่ตาย เราสามารถหาความสุขที่ดีกว่าได้ตลอดเวลาถ้าเรามีสติที่สามารถควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดให้ได้เมื่อใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบขึ้นมาทันทีแล้วเราก็จะมีความสุขขึ้นมาทันทีเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่สามารถหาสิ่ง ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราได้นี่การปฏิบัตินี้โดยสรุปก็ไม่ยากไม่ไม่มากเรื่อง ถ, ถ้าฟังเท่านี้แล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ปัญหาก็คือจะปฏิบัติได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง เวลาฟังก็รู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรต้องทำทานต้องเสียสละข้าวของเงินทองที่เราเอาไปใช้กับความอยากต่างๆให้หยุดใช้เงินทองแบบนี้เพราะการใช้เงินทองตามความอยากต่างๆเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ความ สุขแบบชั่วคราวเวลาเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากได้ของที่ไม่จำเป็นของที่ฟุ่มเฟือยของที่ไม่ต้องซื้อแต่อยากซื้อเราจะได้ความสุขเดี๋ยววแล้วเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งความสุขนั้นก็หายไปก็ทำให้เราต้องซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆ เพราะของเก่าพอได้มาแล้วมันไม่ให้ความสุขเหมือนกับของใหม่นั่นเองถ้าเราใช้เงินแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็ต้องใช้เงินมากแล้วเราก็ต้องหาเงินมากเพราะว่าเงินมันไม่ได้มาเองเราต้องคอยหามันถ้าเราใช้มันเดี๋ยวเงินที่เรามีอยู่ก็ไม่พอใช้เราก็เลยต้องไปหาเงินอยู่เรื่อยๆ หาเงินแล้วก็เอาเงินที่หามาได้มาใช้กับสิ่งที่เราอยากได้อยากทำอยากดูอยากฟังเราก็จะติดอยู่กับวงจรอุบาทนี้คือเราจะต้องคอยหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ตามความอยากต่างๆเราก็จะไม่มีเวลาไปวัดไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมนั่นเอง าจะต้องคอยหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆแล้วพอได้เงินทองมาก็ต้องเอาไปใช้เหมือนไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อของไม่จําเป็นต่างๆมันก็จะทําให้เราไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการของการศึกษาของการปฏิบัติของการบรรลุทําได้นั่นเอง พระพุทธเจ้าจิงต้องสอนให้พวกเราทำทานกันคือให้เราหยุดใช้เงินตามความอยากเอาเงินที่จะใช้ตามความอยากนี้ไปทำบุญทำทานจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่อยู่กับใจได้นานกว่าความสุขที่ให้ความอิ่มความพอแก่ใจ ที่จะทำให้ความอยากใช้เงินตามความอยากต่างๆนี้หายไปหมดเมื่อความอยากใช้เงินตามความอยากไม่มีเราก็ไม่ต้องหาเงินมากหาเงินมาใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นก็คือปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย เราก็จะไม่ต้องทำงานมากไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะได้มีเวลาไปวัดได้มีเวลาศึกษาพราะธรรมคาสอนมีเวลาปฏิบัติธรรมนี่คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ศรัทธาญาติโยมผู้ครองเรือนทำทานกันแต่ทำไมไม่สอนให้พระภิกษุ นักบวชทำบุญทำทานกันเพราะว่านักบวชนี่เขาทำไปหมดแล้วเขาไม่มีเงินทองเหลืออยู่ในตัวเขาแล้วเงินเวลาไปบวชนี้ไม่มีเงินทองคนไปบวชนี้ไม่มีเอาเงินทองติดตัวไปด้วยมีเงินทองก็ยกให้คนอื่นไปทำทานขั้นสุดท้ายทำทานแบบเต็มร้อย คือมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ยกให้คนอื่นไปจะยกให้ใครไปก็สุดแท้แต่ถ้ามีครอบครัวก็ยกให้ครอบครัวไปถ้าไม่มีครอบครัวก็ให้กับผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ต้องการก็ได้เช่นมีสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นอยู่รูปหนึ่งตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชท่านก็เป็นผู้มีฐานะ มีไล่มีนามีสมบัติแต่ท่านกับภรรยาไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีญาติท่านทั้งสองตอนที่เป็นคารวะวัดก็มันเข้าวัดศึกษาพระธรรมคำสอนจนมีความพร้อมที่จะไปบวชกันก็เลยประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าถ้าใครต้องการวัวควายต้องการ ที่ดินต้องการบ้านก็มาบอกให้ท่านทราบแล้วท่านจะพิจารณายกให้พอท่านสละสมบัติที่มีอยู่หมดแล้วท่านก็ไปบวชกันบวชแล้วก็ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นไปปฏิบัติตามคําสั่งสอนที่หลวงปู่มั่นสอนให้ปฏิบัติไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา เพราะว่ากระดูกของท่านหลังจากที่ท่านตายไปแล้วบางส่วนก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานี่คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องสอนให้นักบวชทําทานเพราะถ้าเป็นนักบวชที่แท้จริงแล้วจะไม่มีเงินเพราะพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้มีเงินเพราะการมีเงินนี่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้ ถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวเกิดความอยากที่จะไปทํานู่นทํานี่ขึ้นมาอาก็จะไม่ได้เอาเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติทำแทนจะเอาเวลาไปทํานู่นทํานี่แทนถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อาศาสนาแต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้กระทําเอเช่นเอาไปสร้างวัดเอาไปสร้างโบสถ์สร้าง JD. เจดีย์ถ้าเอาไปใช้กับ งานเหล่านี้ก็จะต้องไปพัวพันกับงานเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะได้บุญแต่บุญระดับต่ําบุญที่จะส่งให้ไปเป็นเทพไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพเท่านั้นจะไม่สามารถส่งให้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ของพระอริยะเจ้าได้ไม่สามารถ กำจัดการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าจึงห้ามนักบวชไม่ให้มีเงินทองแต่เขาอนุโลมผ่อนผันว่าถ้ามีใครเขามีจิตศรัทธาอยากจะถวายเงินให้เพื่อใช้ในสิ่งที่จำเป็น mm. เช่นซื้อยาหรือซื้ออะไรที่ขาดแคลนปัจจัยสี่ที่ขาดแคลนก็ให้ฝากกับลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งที่เชื่อถือได้ และไม่ให้ถือว่าเป็นสมบัติเป็นเงินทองของพระถือว่าเป็นเงินของศรัทธาญาติโยมฝากให้ลูกศิษย์ไว้เผื่อเวลาพระต้องการอะไรก็เรียกใช้จากลูกศิษย์ได้เท่านั้นเองอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่ทาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวคนมาบวบางคนยังมีสมบัติเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังติดตัวมาด้วย พอมาบวชแทนที่จะมาศึกษามาปฏิบัติก็อาจจะมาคิดสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์คิดตั้งตัวเองเป็นเจ้าอาวาสก็มีสออมัยนี้มีพระบวชใหม่ไม่กี่พรรษาเป็นเจ้าอาวาสเพราะมีเงินสร้างวัดของตนเองสร้างแล้วก็อยู่เป็นเจ้าอาวาสอันนี้เป็นไม่ได้เป็นวิธีที่จะทําให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะการอยากเป็นเจ้าว่านี้มันก็เป็นกิเลสตัณหาตัวที่จะคอยดึงให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเป็นนเป็นได้แต่ให้มันเป็นโดยธรรมชาติไม่ได้เป็นด้วยความอยากเป็นเพราะไม่มีคนอื่นเป็นเช่นไปอยู่คนเดียวแล้วเป็นสำนักขึ้นมาไม่มีใครเป็นก็ต้องเป็นโหน่า หรือเป็นเพราะว่าผู้ที่มาศึกษามาอยู่ด้วยมีอาวุโสน้อยกว่ามีพรรษาน้อยกว่าผู้ที่มีพรรษามากกว่าก็เป็นหัวหน้าไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นไม่ได้เป็นด้วยความอยากเป็นไปตามธรรมจัดสรรให้เป็นทำไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าทำอะไรตามความอยากโดยเด็ดขาด ถ้าอยากจะบรรลุธรรมอยากจะกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจอยากได้อย่างเดียวก็คืออยากพ้นทุกข์อยากกำจัดกิเลสตัณหาเนี้เป็นความอยากที่ไม่เสียหายเป็นความอยากที่ต้องมีถ้าไม่อยากกำจัดกิเลสตัณหาก็คงไม่มาบวชกันไม่มาศึกษาธรรมะ ก, การอยากที่จะกำจัดกิเลสตัณหา การอยากที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ไม่เป็นกิเลสตัณหาเป็นมรรคเป็นทางเดินสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจำเป็นจะต้องมีกันถ้าไม่อยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่คิดที่จะไปบวชกันนั่นเองแต่ถ้ามีความอยากที่จะหลุดพ้นก็จะคิดที่จะไปวัดไปศึกษาไปปฏิบัต และถ้าเป็นไปได้ก็จะบวชเพราะการบวชนี้เป็นการเอื้อต่อการหลุดพ้นเอื้อต่อการปฏิบัตินั่นเองถ้าไม่บวชก็ยังมีภารกิจอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่แต่พอบวชแล้วก็ตัดไปหมดไม่ไม่เกี่ยวข้องกับใครต่อไปนี่คือ เรื่องของการศึกษาธรรมเราต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติของผู้ที่หลุดพ้นแล้วว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรเราจะได้เอาตัวอย่างของเขามาใช้กับเรานั่นเองดังที่เราไม่รู้ว่าเราจะออกบวชได้อย่างไงเมื่อเรายังมีครอบครัวยังมีความระกผูกพันอยู่เราก็ไปดูประวัติของผู้ที่เขาออกบวชกันว่าเขาทำอย่างไร ทำไมเขาถึงตัดภาระต่างๆไปได้ทำไมเราถึงตัดไม่ได้เขาก็เป็นคนเหมือนเราเมื่อก่อนเขาก็มีครอบครัวเหมือนเราแต่ทำไมเขาตัดครอบครัวไปได้ทำไมเขาไปบวชกันได้พระพุทธเจ้าก็มีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าพวกเราหลายร้อยเท่า แต่ทําไมท่านสละได้ทําไมเราสละไม่ได้ <Yeah. S 1> อันนี้มันอยู่ที่กิเลส ข, ของเรานั่นเองกิเลส ข, ของเรามันหลอกเราว่าเรายังต้องดูแลเขาอยู่ต้องรักษาทซบสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอยู่เท่านั้นเองมันหลอกเราแต่ผู้ที่เขาตัดได้เขามองความเขามีดวงตาเห็นธรรมกันเขามีธรรมะ เ็าเห็นว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพาคจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายอยู่ดีถ้าเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่ด้วยว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันจากไปจากกันไป เช่นถ้าเราตายไปนี่เราเอาใครไปกับเราได้หรือเปล่าเอาครอบครัวของเราไปกับเราได้หรือเปล่าเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปกับเราได้หรือเปล่าถ้าเห็นว่าเอาไปไม่ได้เราก็คิดว่าการไปบวชก็เหมือนกับการไปตายการที่เราตายไปกันแล้วกันพอเราคิดว่าเราตายปั๊บนี่ภรรยาสามีลูกหลาน ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี้เราก็เอาไปไม่ได้เขาก็อยู่ของเขาต่อไปได้เราตายไปมันนี้แล้วคิดว่าเขาจะตายไปกับเราหรือเปล่าเขาไม่ตายหรอกเขาก็อยู่ต่อไปเขาก็จัดการกับทรัพสมบัติของเราเนี่ยแบ่งกันใช้กันไปงั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าเขาจะอยู่ไม่ได้เขาต้องอยู่ได้ทุกคนเขาจะต้อง เดินกันไปตามภาวะที่เกิดขึ้นนั่นเองถ้าไม่มีภาวะเกิดขึ้นเขาก็อาจจะไม่ดิ้นถ้าเขายังเกาะเราได้อยู่ยังอาศัยเราได้อยู่เขาก็ไม่ดิ้นหาหาวิธีอื่นแต่พอไม่มีเราแล้วเขาก็ต้องดิ้นหาวิธีอื่นเพื่อการอยู่รอดของเขาต่อไปน่า จ, จะเป็นดีสำหรับเขาก็ได้เพราะทำให้เขารู้จักช่วยตัวเองได้ ถ้ามีคนอื่นคอยช่วยเหลือก็เลยแบมือแบเท้าไม่ทำอะไรเพราะมีคนคอยดูแลคอยช่วยเหลืออยู่พอคนที่เคยดูแลคอยช่วยเหลือเราหยุดให้การช่วยเหลือแล้วทีนี้ก็ต้องมาช่วยตัวเองแล้วถ้าไม่ช่วยตัวเองก็ตายอยู่ไม่ได้ดังนั้นถ้าคิดแบบนี้แล้วก็พาวรผูกพันต่างๆที่มีอยู่นี่ ก็สามารถตัดไปได้อย่างง่ายได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราละเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายละเลิกถึงการพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆนั้นเราจะลืมเราจะลืมว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเราจะต้องพัดพรากจากกันก็เลยทําให้คิดว่าเรายังจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆพอเราคิดอย่างนี้เราก็เลย ตัดเขาไม่ได้แยกออกจากเขาไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องมีการพัดพาคจากกันอย่างแน่นอนถ้าคิดอย่างนี้เดือเรื่อยๆมันก็จะให้เราเห็นว่าเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันแล้วจะจากด้วยการยินดีหรือไม่ยินดีมันก็ต้องจากกันคนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ตายได้ทุกอายุ อายุหนึ่งวันเกิดมาตายไปก็มีเจ็ดวันตายไปก็มีหนึ่งเดือนตายไปก็มีหนึ่งปีตายไปก็มีสิบปีก็มียี่สิบปีก็มีสามสิบปีก็มีตายทุกอายุไม่มีใครที่จะมากําหนดวันตายของตนเองได้ไม่มีใครจะบอกว่าเราจะอยู่ไปจนแก่ตายตายในอายุแปดสิบเก้าสิบหรือร้อยปี คิดได้แต่จะเป็นจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้อันนี้ให้เราลำเลึกอยู่เรื่อยๆนี่คือวิธีที่จะทำให้เราสามารถตัดภาระผูกพันต่างๆที่ดึงให้เราไม่ออกไปศึกษาไปปฏิบัติไปบวชกันเราต้องคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ แล้วเราก็ให้คิดถึงผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากการไปบวชกันถ้าเราไม่บวชนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะศึกษาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เราก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราไปบวชแล้วทําตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงรับประกันไว้เลยว่า ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีกําลังใจแล้วเราจะทําประโยชน์ให้กับครอบครัวกับคนที่เรารู้จักได้มากกว่าตอนที่เราอยู่กับเขาเสียอีกเพราะว่าถ้าหลังจากที่เราได้ หลุดพ้นแล้วเราก็กลับมาสอนเขาได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระพุทธเจ้าก็มาสอนญาติพี่น้องต่อไปสอนพ่อสอนแม่สอนญาติพี่น้องมีการสอนลูกสอนภัรยามีการสเสด็จออกบวชตามพระพุทธเจ้ากันหลายรูป แล้วบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันหลายรูปด้วยกันถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สละราชสมบัติไม่ได้ออกบวชพระพุทธเจ้าจะไม่รู้จักวิธีที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไม่สามารถสอนให้ญาติพี่น้องด้วยกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะอยู่ได้แค่ช่วงขณะที่มีชีวิตอยู่ ทำประโยชน์ได้ขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ก็เป็นประโยชน์ทางร่างกายเท่านั้นเองทางทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองแต่ทางจิตใจนี้ไม่สามารถทำประโยชน์ให้กับใครได้เลยแม้กระทั่งของตนเองก็ทำไม่ได้ตนเองก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดญาติพี่น้องก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชแล้ว ศึกษาปฏิบัติเพียงหกปีเท่านั้นเอง mm hmm. ก็สามารถตัดสัุ้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็เอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ญาติพี่น้องต่อไปญาติพี่น้องก็เกิดศรัทธาขอศึกษาขอปฏิบัติตามกันขอบวชกันแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมาก mm hmm. ได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นจำนวนมากนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าการที่เร า, าทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรไปนี้ไม่ได้เป็นการไม่มีความเสียหายมีแต่คนมีประโยชน์เหมือนกับถ้าเร า, าติดอยู่ที่ไหนที่หนึ่งติดอยู่ในถ้ำ มีคนเดียวที่มีความสามารถที่จะออกไปขอความช่วยเหลือได้จะให้เขาไปหรือให้เขาอยู่กับเราเราก็ต้องให้เขาไปเพราะว่าเมื่อเขาออกจากถ้าไปได้เดี๋ยวเขาไปเรียกคนให้มาช่วยเหลือพาให้คนที่ติดอยู่ในถ้มนี้ออกพ้นจากถ้ากันได้อันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันพระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่มีบารมีมีความสามารถ ที่จะไปศึกษาที่จะไปปฏิบัติเพื่อทำให้พระ อ, องค์ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วพอพระองค์สามารถทำได้สำเร็จพระ อ, องค์ก็สามารถกลับมาช่วยพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะ ไม่ได้คิดว่าเราทอดทิ้งเขาแต่อย่างใดเป็นการไปหาเครื่องมือไปหาความช่วยเหลือเพื่อที่จะได้กลับมาช่วยเหลือเขาต่อไปนั่นเองกลับมาช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือภรรยาช่วยเหลือสามีช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือญาติพี่น้องเพราะว่าถ้าเรารู้วิธีแล้วเขาก็จะเรียนรู้จากเราได้ง่ายกว่าไปเรียนรู้จากผู้อื่น เป็นญาติพี่น้องกันจะเชื่อกันถ้าสอนถ้าบอกว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเชื่อแต่ถ้าไปฟังคนอื่นอาจจะไม่เชื่อไม่อาจจะไม่สะดวกที่จะถ่ายถามอะไรถ้าไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นญาติเป็นพี่น้องกันรู้จักกันสนิทสนมกันฟังอะไรไม่เข้าใจอะไรก็สามารถถามได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็ เป็นวิธีของผู้ที่ฉลาดของผู้ที่จะไปออกบวชผู้ที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติกันถ้าไม่คิดแบบนี้แล้วคนที่มีภาระผูกพันนี้จะไปกันไม่ได้พอจะห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงข้าของเงินทองต่างๆก็เลยต้องจมกันอยู่ในถ้มนั้นต่อไปเพราะไม่มีใคร สามารถออกไปจากถ้ำเพื่อไปขอความช่วยเหลือได้นั่นเองแต่ถ้ามีคนหนึ่งมีความสามารถที่จะออกจากถ้าไปขอความช่วยเหลือได้ก็ควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เขาออกไปช่วยให้เขาออกไปจากถ้ำเพื่อที่เขาจะได้ไปขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือคนที่เหลืออยู่ในถ้ำนี้ให้หลุดออกจากถ้ำไปได้นี่คือ ขบวนการของผู้ที่ออกบวชกันขบวนการของความคิดเขาจะคิดอย่างนี้กันเขาจะคิดว่าการอยู่ร่วมกันนี้ช่วยเหลือกันดูแลกันนี้ช่วยกันได้เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองแล้วก็ช่วยไปได้ไม่นานต่อไปร่างกายก็ต้องแกเ่เจ็บตายไปเหมือนกับไม่ได้ช่วยพอตายไปแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ช่วยช่วยกันขนาดไหนเลี้ยงดูกันดีขนาดไหน ส่งเสริมให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือไปจบปริญญาไปมีงานทำไปมีครอบครัวแต่เดี๋ยวตายไปก็ศูนย์ไปหมดอยู่ดีแต่ถ้าไปช่วยเขาแบบให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นการช่วยที่แท้จริงที่ถาวรช่วยให้จิตได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ออกปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเราจะไม่มีความสามารถไม่มีวันที่เราจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เราดูผลประโยชน์ที่แท้จริงว่ามันอยู่ที่ตรงไหน ผลประโยชน์ที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจจิตใจนี่แหละที่ตอนนี้เป็นผู้ที่มีปัญหาที่เราจะต้องดูแลช่วยเหลือร่างกายของเราหรือของคนอื่นนี่ดูแลช่วยเหลือมันให้มันดีขนาดไหนเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะตายไปอยู่ดีตายแล้วมันก็เหมือนกับไม่ได้ดูแลไม่ได้ช่วยเหลือมันอยู่นั่นะเสียเวลาไปเปล่าๆเหมือนกับไปสร้าง เจดีที่ชายทะเลเจดี JD ก็เอาทรายมาก่อเจดีกันที่ชายทะเลตอนเวลาน้ำลงเนสร้างให้มันสวยงามวิจิตรพิสดารอย่างไรก็ตามเดี๋ยวพอน้ำขึ้นมันก็ซัดหายไปหมดสิ่งต่างๆที่เราทำกันในโลกนี้ก็เหมือนกับการสร้างเจดีซทรายที่ชายทะเลนี่เดี๋ยวเวลามันพัดเข้ามาเวลาผ่านไป ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองชีวิตร่างกายของเราของคนนั่นคนนี้เดี๋ยวก็ถูกเวลามันพัดไปหมดตายไปหมดไม่มีอะไรไม่มีใครหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ดูญาติพี่น้องของเราปู่ย่าตายายทีอ่อยู่เมื่อร้อยปีที่แล้วตอนนี้หายไปไหนกันหมดก็ตายกันไปหมดเขาก็พยายามสร้างสมบัติสร้างนู่นสร้างนี่หานู่นหานี่มา ช่วยเหลือกันมาดูแลกันดูแลกันดีอย่างไรเดี๋ยวเวลาผ่านไปก็ตายกันไปหมดให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะทําให้เราเห็นว่าการดูแลร่างกายดูแลทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองจะดูแลไม่ดูแลมันก็มันก็ต้องสุ้นมันก็ต้องสิ้นไปหมดไปแต่การดูแลจิตใจนี้มันไม่สิ้น ไปกับการกับเวลาทำใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วมันก็จะหลุดพ้นไปตลอดเวลาไม่สามารถมาลบล้างการหลุดพ้นได้เวลาไม่สามารถมาลบล้างใจของพระพุทธเจ้าไม่ให้เป็นพระพุทธเจ้าได้พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นไปตลอดพอเป็นพระ อ, อริยสงสาวกแล้วก็เป็นไปตลอดไม่มีวันที่จะเสื่อมหายไปดังนั้น ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้สามารถที่จะตัดภาระลุงนังต่างๆที่เรายังติดอยู่ได้เพื่อที่เราจะได้ออกไปศึกษาออกไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองเมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วไม่เกินเจ็ดปีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆท่านหลุดพ้นกันในชาตินี้ทางนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็หลุดพ้นในชาตินี้ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่หลวงปู่ฟ้นหลวงปู่อะไรต่างๆเนี่ยหลวงตามหาบัวท่านก็หลุดพ้นในชาตินี้ทงนั้นท่านก็ออกบวชท้งนั้นเพราะท่านไม่ ไม่ยึดไม่ติดหรือท่านเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ท่านมีอยู่มันเป็นของชั่วคราวไม่ไม่เสียดายรู้ว่าในที่สุดมันก็ต้องสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็วท่านจึงไปออกบวชกันได้หลวงปู่พรมที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยที่เป็นเศรษฐีนี่ก็ท่านก็เห็นว่าทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองเป็นของชั่วคราวตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไป ก็ยกให้เขาไปตั้งแต่ไม่ตายเสียเลยแล้วก็ไปบวชกันนี่คือการทาทานพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คาลวะทาทานให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อที่จะได้มีเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ไปบวชต่อไปได้นั่นเองพอบวชแล้วถ้าปฏิบัติตามคำสอนได้ครูบาอาจารย์ที่ดุดพ้นแล้วก็จะลุดพ้นกันได้ภายในชาตินี้อย่างแน่นอน นี่คือเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะศึกษาจะปฏิบัติได้ก็ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปชั่วคราวก่อนไปบวชไปปฏิบัติหลังจากบรรลุแล้วก็จะกลับมาช่วยเหลือเขาได้ช่วยให้เขาได้หลุดพ้นต่อไปได้ นี่คือเรื่องของทำไมเราต้องปฏิบัติต้องศึกษากันอย่างต่อเนื่องต้องศึกษาและปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับเพราะเหตุเพราะผลจะเกิดก็เกิดจากเหตุการหลุดพ้นมร ก, การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ ที่เราจะต้องทําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเวลาเราเริ่มต้นเราก็ทําได้ตามกําลังที่เรามีอยู่ไปก่อนแต่พอเราทําแล้วต่อไปก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปทําให้เราสามารถปฏิบัติได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนปฏิบัติได้เต็มร้อยเมื่อได้ได้ปฏิบัติได้เต็มร้อยแล้วผลก็จะเต็มร้อยตามมาต่อไปจึงขอให้ท่านจงเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่าขาดตอนอย่าเห็นอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่าการศึกษายิ่งกว่าการปฏิบัติยิ่งกว่าการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านก็สามารถที่จะทิ้งสิ่งต่างๆไปเพื่อที่ไปศึกษาไปปฏิบัติและหลุดพ้นต่อไปได้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 จันโทปันาราโสยธามณีโชติระโสยธาสัพีติโยวิวาจันโตสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะภิวาตนสีฤทสานิจจังวุทาปจายิโน จตารโหธมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ทางเฟซบุ๊กสอง้อยเจ็ดสิบห้าคนย o u t u หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดคนวิทยุออนไลน์สิบเก้าคนผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยหกคนรวมทั้งหมดห้าร้อยเจ็สิบเก้าคนครับอาจารย์คนทางบ้านหายไปเยอะคนทางเฟซบุ๊ก u t u b e หายไปอย่างละอย่างลาร้อยธรรมดาสามร้อยกว่าสอง้อยกว่ายอดเลยตกจากเจ็ดร้อยเหลือห้าร้อยกว่า อ่ฝนตกด้วยอะถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยคำถามจากทางอินบ็อกซ์นะคะกลาบนรรมสการพระอาจารย์ตอนเดินจงกรมหากใส่หูฟังเสียงภาวนาพุทธโทตามจังหวะเสียงอันนี้ถามตอบไปแล้วเมวื่อวานนี่เข้ามาทางไหนเลยเข้ามาอีกเหอินบ็อกซ์เจ้าค่ะ อ, อ่านไปก็ได้เดี๋ยวตอบใหม่ก็ได้เดี๋ยวเผื่อรอฟังอยู่ตอนเดินจงกรมหากใส่หูฟังเสียงภาวนาพุทธโธตามจังหวะเสียงเท้าขวาพุทธเท้าซ้ายโทจิตจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นได้ไหมครับประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่เสียงมันช้ากว่าเท้าต้องรอจังหวะจึงก้าวเท้าพุทธขวาโทอย่างช้าๆอย่างนี้ทาถูกต้องไหมครับ ไม่ควรจะใช้วิธีนี้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดไอเครื่องมันเสียก็ใช้ไม่ได้ฐานหมดก็ใช้ใช้ไม่ได้ให้ใช้เครื่องในใจเราดีกว่าให้ใช้พุโทโธในใจเราอย่าขี้เกียจอ่แค่ท่องพุโทโธพุธโทโธแค่นี้ท่องไม่ได้นะเพราะว่าสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีเครื่องแบบนี้ใช้ท่านก็ใช้ใจ ให้เราใช้ใจดีกว่าเราจะใช้ได้ทุกที่ทุกแห่งทุกขนทุกเวลาถ้าใช้เครื่องเดี๋ยวเครื่องเสียก็ใช้ไม่ได้หรือแบตหมดไม่มีที่ชาร์จแบตก็ใช้ไม่ได้แล้วก็มีปัญห า, ามันช้าไปเราก็เร่งมันไม่ได้ถ้าเราใช้ใจเรานี่มันให้มันเร็วก็ได้จะให้มันช้าก็ได้แล้วเวลาใช้พุทโธนี่ความจริงไม่ต้องไปผูกไว้กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็พอ ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปจะช้าหรือจะเร็วก็ได้จะเดินหรือจะนั่งก็ได้ไม่ต้องใช้ลมไม่ต้องใช้เท้าก็ได้นะถ้าใช้พุโทโธแล้วก็เอาพุโทโธอย่างเดียวก็พอจะสะดวกกว่าจะตัดปัญหาตัดเรื่องอะไรวุ่นวายไปให้หมดนะเอาอยู่กับพุธทธคำว่าพุโทโธคําเดียวนี่ท่องไปเรื่อยๆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธถ้าอยากจะให้เร็วก็ถี่หน่อยถ้าอยากจะให้มันช้าก็ ห่างหน่อยพูดโทรหน่อยใช้ได้แล้วแต่คำถามจากคุณน้อยค่ะกลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขอสอบถามปัญหาลูกสาวเรียนอยู่อยู่วัยเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้ลูกและแม่พาพ่อไปตรวจสุขภาพแล้วพบว่าพ่อเป็นมะเร็งขั้นที่ลุกลามเข้ากระดูกแล้ว พ่อแม่ลูกกำลังช็อกกับเหตุการณ์นี้ขอกราบข้อธรรมที่จะเยียวยาจิตใจพ่อแม่ลูกในยามนี้ด้วยเจ้าค่ะก็คือทุกคนก็จะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะต้องตายไปด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วพ่อไปเดี๋ยวเราก็ตามเข้าไปเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างกันตอนที่ใครไปก่อนใครไปหลังเท่านั้นเอง ปัญหาคือพวกเราไม่คิดกันไม่ล่วงหน้าก่อนคิดว่าจะอยู่กันไปแบบไม่มีวันจบไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายพอเจอกับความเจ็บเจอกับความตายก็เลยวุ่นวายใจกันไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงเราต้องพยายามสอนใจให้รับความจริงนี้ให้ได้ว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกัน ถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆเราจะได้ทำใจรับก่เหตุการณ์ได้เหมือนกับเวลาถ้าเรารู้ว่าของที่เราได้มานี้ไม่ได้เป็นของเราจะเราไปยืมรถของเพื่อนบ้านมาใช้เราก็รู้ว่าจะต้องคืนเขาพอเข้ามาขอคืนเราก็คืนเข้าไปได้ร่างกายเราก็เป็นเหมือนของที่เรายืมเข้ามาเหมือนกันเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเป็นของยืมเราคืล่ยเป็นของเรา พอเวลาเจ้าของก็มาขอคืนก็ไม่ยอมคืนไม่อยากให้คืนความไม่อยากคืนของก็เลยทำให้เราทุกข์เสียใจอยากไม่อยากก็เขาก็จะเอาคืนไปอยู่ดีเพราะเขามีอำนาจมากกว่าเราร่ <Yeah. S 1> างกายนี้เป็นของดินน้ำลมไฟเรายืมมาจากดินน้ำลมไฟตอนนี้ตอนที่จะตายนี้ดินน้าลมไฟก็มาขอคืนไป พอร่างกายตายป Webb, Clear ั๊บร uh ่างกายมันก็แยกออกจากกันดินน้ำลมไฟที่อยู่ในร่างกายมันก็แยกออกจากกันให้คิดอย่างนี้ว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อลูกไม่ได้ตายไปกับร่างกายของลูกแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของแม่สิ่งที่ตายเป็นเหมือนรถยนต์ คนขับรถไม่ได้ตายไปกับรถรถเสียรถพังคนขับรถยังอยู่คนขับรถถ้าอยากจะใช้รถต่อก็ไปซื้อรถใหม่นั่นนั่นเองพอ ร, รถเก่าเสียก็ไปหารถใหม่ใจของพวกเราทุกคนนี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอ ร, ร่างกายตายไปใจของเรายังอยากจะมีร่างกายเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ เดี๋ยวไม่นานก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เนี่เราจึงควรแช้หาเวลามาศึกษาธรรมากันเราจะได้รู้ความจริงแล้วเราจะได้ไม่วุ่นวายใจเวลาเกิดเหตุการขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษากันไม่รู้กันว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยคิดว่าร่างกายของพ่อเป็นพ่อพอร่างกายของพ่อจะตายก็เลยวุ่นวายใจกันไป หรือไม่คิดว่ า, ร, าร่างกายของพ่อจะต้องตายไม่เคยคิดช่วยตัวเองไม่คิดเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดพ่อตายไปเราจะทำยังไงไม่เคยคิดถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าพ่ออาจจะต้องตายจากเราไปเราเตรียมตัวช่วยตัวเองกันเนี่ยเตรียมตัวหัดหาเงินกันเองหัดดูแลกันเองหัดทำอะไรกันเองพอเวลาพ่อตายไปเราก็จะได้ไม่เดือดร้อน อันนี้คือธรรมะที่ควรจะเอาไปคิดแต่มันมักจะสายเวลาให้ศึกษาเวลาที่ยังไม่เหตุเกิดเหตุการณ์ก็ไม่ยอมเข้าเพราะไม่ไม่คิดว่าศาสนาจะช่วยอะไรเราได้นอกจากจะดูดเอาเงินเราอย่างเดียวก็เลยไม่อยากแช่เข้าวัดกันอ <c oughs> ต่อไปคําถามจากทางไลน์ครับ กระผมหันมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแต่อีกใจหนึ่งก็ยังเสียดายยังอยากสนุกอยากกินอยากเที่ยวดูการันเล่นกลัวเสียเพื่อนกระผมควรจะวางใจอย่างไรดีครับเพราะกระผมอยากปฏิบัติธรรมมากกว่าแต่กําลังใจผกระผมยังอ่อนอยู่ครับก็ของที่เราเสียดายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดลง นังคำพูดที่เขาพูดกันว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงดออังนั้นเราอย่าไปเสียดายมันเลยตัดใจตัดมันทิ้งไปเลยดีกว่าให้มันสิ้นสุดลงในวันนี้ซะเลยแล้วเราจะได้เข้าหาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงและถาวรต่อไปคือการปฏิบัติการทำจิตใจให้สงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้พอเราได้แล้วเราก็จะได้อยู่เรื่อย จไไไมมมมม่่ีีววัันนนสสิุ้ดดหาากเรปคำถามจากทาง Facebook ค่ะกราบนมสัส ก, การพระอาจารย์สมัยนี้ศีลแปดสามารถบรรลุธรรมอรหันต์ได้ไหมครับ อ, อ๋อศีลแปดอย่างเดียวไม่ได้หรอกศีลแปแล้วก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาเห็นตายรักเห็นอริยสัจสีถึงจะบรรลุเป็นผ้าอรหันต์ได้ ขินแเป็นเพลงตัวที่สนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นตัวสนับสนุนให้มีปัญญาให้ใช้ปัญญาในการบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นเครื่องมือที่จะต้องมีครบเหมือนเหมือนทหารเนี่ยทหารเขาเข้าสงครามก็มีปืนสั้นมีปืนยาวมีลูกระเบิดมีมีดเพราะว่าเวลาเกิดการต่อสู้กันนี้ต้องใช้อาวุธชนิดต่างๆกัน จะมีอย่างเดียวมันก็ไม่พอเพียงมีมีดอย่างเดียวก็ไม่พอมีปืนอย่างเดียวก็ไม่พอเขาถึงต้องให้พกหลายอะหลายอย่างด้วยกันการจะบรรลุเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีเครื่องมืออยู่สามชิ้นด้วยกันก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาหมดแล้ ว, ล ว, ลวเลยมีใครอยากจะถามไหมถามได้นะไม่เก็บตัง จ่ายมาแล้วเมื่อกี้ทำบุญแล้วไม่มีเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวคนคงกำลังพิมพ์ข้อความกันอยู่ you got anything you want to ask okay I'll send you the microphone wait ส่งไมโครโฟนไปให้เขาหน่อยได้เหรอล่ะดีเดี๋ยวพูดทางไมโครโฟนไมโครโฟนพูดใกล้ๆปาก ที่บ้านมีปัญหาค่ะอ่าปัญหาอะไรเราไปเรียนไม่ได้แล้วก็แม่ไม่ใช่คนไทยด้วยค่ะอ่าแล้วก็อืมอะไรเคยต่งานกับคนไทยอายมีลูกด้วยกันห้าคนอาลูกห้าคนใช่แล้วอยู่เมืองไทยอยู่ที่สี่คนอยู่เมืองไทยค่ะอ่าคนนี้ค่ะอ่า ไอ้ยากับสามีแล้วเมื่อก่อนไอ้มีธุรกิจตอนนี้ไม่มีไมม่ีอ้ก็ลําบากมากเด็กเข้าโรงเรียนไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนอ่าโรงเรียนรตฐบาลก็ไม่รับรัฐบานไม่รับเพราะเป็นคนไทยเพราะพูดเป็นคนรัสเซียไม่ใช่คะเป็นถสัญชาติไทยสัญชาติไทยแล้วทําไมเขาไม่รับล่ะเพราะว่าเขาอยากให้พ่อเขามาเซ็นอ่ะแต่พ่อเขาไม่ยอมเซ็นอ๋อพ่อเขาไม่ยอมเซ็นชื่อต้องให้พ่อเซ็นด้วยเหรอแล้วพ่อเขาอยู่ที่ไหน่ะ พเขาน่าจะบวชไี่รู้ค่ะบวชเขาอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะโรงเรียนของรัฐบาลเหรอที่เขาไม่ที่เขาไม่ให้เรียนโรงเรียนอะไรก็ได้จะโรงเรียนในกระโจนน่ะไอ้ชาไม่ไหวเพราะว่ามีหลายกนน่ะปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ที่โรงเรียนเขาไม่รับใช่ค่ะโรงเรียนไม่รับค่ะต้งเรียนเรียนโรงเรียนของรัฐบาลได้ไหม เลยต้องเรียนโรงเรียนต่างชาติเรียนโรงเรียนานานาชาติถ้าลูกเป็นสื่อสันชาติไต่ฮะลูกเป็นสื่อสันชาติไต่อ่าสัญชาติไต่มีโรงเรียนวัดอะไรไหมจะได้ลูกเรียนได้อ๋ออยู่ที่ไหนตอนนี้บ้านอยู่ที่ไหนอยู่พัทยาค่ะอยู่พัทยาแล้วโรงเรียนเมืองพัทยาหนึ่งสองสามนี่เขาไม่รับเลยเหรอไม่รับค่ะไปมาแล้ว ไปมาแล้วไม่รัอถ้าเราให้ไปหาคนที่เมืองพัทยาที่เข า, าเป็นที่เขาเป็นผู้ว่าเมืองพัทยาอะไรอย่างนี้เขาจะช่วยได้หรือเปล่าไหมลูกแต่มีโรงเรียนวัดไหมเด็กผู้หญิงเข้าโรงเรียนวัดได้ไหมคือโรงเรียนเขาก็มีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชาย ของวัดนี้มีโรงเรียนแต่เป็นของผู้ชายแล้วก็เรียนตั้งแต่ชั้นมหนึ่งขึ้นไปเพียงแค่สามปีเท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะเรียนโรงเรียนของเมืองพัทยานี้เราอาจจะให้ไปหาคนที่เรารู้จักเขาอาจจะช่วยเหลือได้จะเอาไหมเออเอาค่ะคือเขาคือมีพระอยู่ที่นี่พระบอมเนี่ย ว่าบอมเขาก็มีญาติพี่น้องที่รู้จักกับออคุณเดี๋ยวคุณบอยช่วยจัดการหน่อยได้ไหมให้เขาลองติดต่อกับพระบอมหรให้ถามผ่านทางปรเม i a ก็ได้ว่าเขาอยู่พัทยาแล้วเขายลูกจะให้เรียนหนังสือแต่โรงเรียนเขาไม่รับด้วยไงไม่รู้เพราะว่ า, วาเพราะแม่เพราะสามีไม่ได้มาเซ็นชื่อให้หรืออะไรทำนองนี้เขาบอกเขาเป็นสัญชาติไทย เด็กเกิดในเมืองไทยใช่ไหมนะเดี๋ยวคุยกับคุณบอยนะคุณบอยเขาจะช่วยติดต่อกับคนที่อาจจะช่วยเหลือได้แต่ไม่รับปากนะไม่รู้นะทดลองดูโอเค baby okay. we can help โอเคคำถามจากคุณวีรศักดิ์ค่ะกราบนามสการพระอาจารย์ครับ จิตกับใจเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับสาธุครับอันเดียวกันน่จิตกับใจก็คือเราผัดกันเรียกมันบางทีก็เรียกว่าจิตบางทีก็เรียกว่าใ จ, าาใจคือจิตใจนี่มันทำสองหน้าที่ไงทั้งคิดทั้งรู้อเราเลยแบ่งตัวที่คิดว่าเป็นจิตตัวที่รู้ว่าเป็นใจแต่มันเป็นตัวเดียวกัน เหมือนคนคนเดียวกันมีตามีหูนี่มีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็แบ่งแบ่งก็ออกไปว่ามีลิ้นบ้างมีฟันบ้างทำหน้าที่ต่างกันใจนี้ก็เหมือนกันใจนี้เป็นทั้งตัวรู้เป็นทั้งตัวคิดเราก็เลยแบ่งตัวคิดว่าเป็นจิตตัวรู้ว่าเป็นใจเวลาไม่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณตัวเดียวกัน ตัวนี้ที่ไม่ตายเวลาร่างกายตายไปตัวนี้ไม่ตายตัวที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้ตัวที่รับรู้เสียงที่เรากาลังพูดอยู่นี้ไม่ตายไปกับร่างกายตัวนี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปแต่ก่อนจะไปได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อน ทำบาปไว้ก็ต้องไปรับผลบาปทำบุญก็ไปรับผลบุญแล้วพอบุญกับบาปไม่สามารถดึงใจให้ไปรับผลบุญผลบาปได้ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วก็กลับมาเรียกเป็นจิตใจใหม่พอมาได้ร่างกายดวงวิญญาณก็กลายเป็นจิตใจไปเรียกจิตใจเหมือนผู้หญิงเวลาแต่งงานก็เป็นนางพอไม่ได้แต่งงานก็เป็นนางสาว แต่ก็เป็นคนเดียวกันเปลี่ยนสถานภาพเท่านั้นเองคำถามต่อไปค่ะกราบถามเจ้าค่ะเมียพ่อเป็นแม่ใหญ่บอกว่าพ่อเป็นหนี้เขาสองหมื่นแต่ตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วเราคิดว่าเป็นเงินที่หามาด้วยกันเลยไม่ได้ใช้คืนอยากทราบว่าพ่อที่เสียชีวิตแล้วจะติดค้างไหมเจ้าค่ะ เดี๋ยวถามใหม่จะไม่เข้าใจอ่านมาเขาถามว่าเมียพ่อเป็นแม่ใหญ่บอกว่าพ่อเป็นหนี้เขาสองมื่นแต่อตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วประมาณว่าเงินที่หามาได้นี่เป็นเงินที่หามาด้วยกันคืออยากทราบว่าคุณพ่อเนะะี่ยค่ะที่เสียชีวิตแล้วจะติดค้างเขาไหมเจ้าคะ ก็ถ้าพ่อไปเป็นหนี้เขาก็มันก็ต้องก็เป็นหนี้เขาแหละีนี้เงินที่หามาได้ด้วยกันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเงินของใครคือเงินก็เป็นของเขากับของเมียเขาเหรอถ้าเป็นของเดียวกันก็ไม่เป็นหนี้กันใช่ไหมถ้าเป็นสามีเป็นภรรยากันก็เป็นเจ้าของเงินเดียวกันเห็นภรรยาจะมามันจะมาบอกว่าเป็นหนี้ได้ยังไงนะเมื่อมันอันนี้ไม่เข้าใจความหมายใช่ไหม อแล้วใครเป็นนี่ใครก็เลยไม่รู้แล้วคนพูดนี้เป็นใครก็ไม่รู้มันเกี่ยวข้องไม่งันยังไงมันเลยฟังไม่เข้าใจต้องต้องต้องถามใหม่นะถ้าอยากจะให้ตอบพรไม่ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นนี่ใครนั่นนะใช่เราไปคิดเดี๋ยวเกิดคิดผิ ด, ดอีกเลยอย่าไปคิดดีกว่าให้เข้ามาพูด เ ด, เดี๋ยวคิดผิดตอบผิดก็ยุ่งอีกออไม่รู้อย่าไปอวดรู้ดีกว่าไม่รู้ไม่ยอมยอมรับว่าไม่รู้แล้วก็จบคำถามจากคุณประสิทธิ์ค่ะกลับนมัส ก, การครับเวลาผมสวดมนต์เย็นผมจะเอามาผมจะเอามาอยู่ในห้องสวดมนต์ด้วย หมาผมก็จะหอนทุกครั้งที่สวดมนต์ผมอยากทราบว่าหมาผมรับรู้ถึงบทสวดมนต์ได้ไหมครับ อ, อ๋อมันเป็นธรรมชาติของสัตว์อ่ะบางทีมันได้ยินเสียงแปลกๆมันก็หอนไปตามตามภาษาของมันเองนันเป็นมันไม่รู้เรื่องหรอกคนยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วหมามันจะรู้ไงเราสวดเรารู้เรารู้ความหมายของบทสวดหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลย พรมันก็ไม่รู้แหละเพียงแต่วันเห็นว่ยเป็นเสียงแปลกๆฟังแล้วมันวังเวงดีมันมันก็เลยร้องตอบถนองนบางทีที่วันตอนเช้ามืดเวลาพระตีระฆังเนี่ยมันของเสียงแปลกใช่มไ้มนานๆจะได้ยินสักครั้งหนึ่งพอพระตีระฆังมันก็เลยหอนกันไปทั้งวัดเลยคําถามจากทางยูทูบค่ะภาวนาบางวันสงบมีความสุขมากบางวันฟุ้ง และหากบางวันมีเรื่องคุยไปกระทบกับบุคคลอื่นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆไม่น้อยแต่ทำไมเรื่องเหล่านี้ถึงเข้ามาก่อกวนในการภาวนาพอเรากำลังดูลมเข้าออกก็วิ่งแทรกเข้ามาครับมันเป็นธรรมชาติของใจเราชอบเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาคิดอยู่เรื่อยๆนั้นเราอย่าไปสนใจเวลาเราภาวนาก็ให้ทนอย่าไปสนใจแล้วก็อย่า ให้เราจดจ่ออยู่กับการภาวนาของเราไปดูลมก็ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไปส่วนมันจะแทรกเข้ามาถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปงถ้าไปเราไปสนใจไปไปต่อแยกับมันไปตอบโต้มันไปคุยกับมันมันก็ยาวนั้นอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่ ก, กับการดูลมไปเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะเบาลงและหายไป คำถามจากคุณสุรศักดิ์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกรรมที่ทำหน้าที่ผ่านมาแล้วในอดีตลบล้างไม่ได้แต่ปัจจุบันถ้ากระผมพยายามรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นไหมครับ อ, อ๋อดีขึ้นถ้าบุญมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะส่งผลก่อนบาปที่จะส่งผลงั้นเราก็เหมือนกับ ห้องเราร้อนถ้าเราไปติดเครื่องปรับอากาศถ้าเครื่องปรับอากาศมันมีกำลังแรงเดี๋ยวห้องมันก็เย็นใจเราตอนนี้ร้อนด้วยบาปที่เราทำในอดีตพอเรามาเริ่มทำบุญมาปฏิบัติทำใจก็เริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นแต่เราไม่ได้ไปลบล้างความบาปที่เราทาไว้ถ้าเราหยุดปฏิบัติเมื่อไหร่หยุดทำบุญเมื่อไหร่เดี๋ยวความร้อนใจก็โผล่ขึ้นมาต่อได้ เหมือนกับถ้าเราปิดเครื่องแอร์ปั๊บเดี๋ยวความร้อนมันก็กลับเข้ามาหาในห้องแต่ถ้าเราเปิดเครื่องแอร์ไปเรื่อยให้มันมีกําลังมากกว่าอุณหภูมิต่ํากว่าความร้อนมันก็จะเย็นไปเรื่อยคําถามจากคุณจกักกรค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับการทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีธรรมะในใจการจะทํางานอยู่กับคนพวกนี้โดยไม่ให้ทะเลาะกัน จะใช้ธรรมะข้อไหนครับก็ให้คิดว่าก็เป็นเหมือนคนหูหนวกตาบอดก็แล้วกันงั้นอย่าไปหวังอะไรจากเขามากก็ปล่อยเขาทําไปตามประสีภาษาของเขาเวลาเราเห็นคนตาบอดคนหูหนวกเราจะไปยุ่งอะไรกับเขามากไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่สามารถรับรู้สิ่งที่เขาควรจะรู้ได้ฉันใดคนที่ไม่มีธรรมะก็แบบเดียวกันเป็นคนไม่รู้ผิดถูกดีชั่ว เขาก็จะทําไปตามความรู้สึกนึกคิดเขาอยากจะโกหกก็โกหกก็อยากจะโกงเขาก็โกงงั้นเราต้องทําใจของเราให้รู้ว่าเขาเป็นเหมือนคนหูหนวกตาบอดเราอย่าไปถือสาเขาเห็นเขาเดินมาก็พยายามหลบเพราะไมงันเดี๋ยวเขาเดินชนเราถ้าเขาตาบอดก็มองไม่เห็นเราถ้าเขาจะพูดอะไรออเขาพูดไม่รู้เรื่องถ้าเขาหูหนวกก็พูดก็ไม่รู้เรื่องเราจะบอกอะไรเขาก็บอกเขาไม่ได้งั้นก็ ทำอย่างนี้แล้วเราจะสบายใจขึ้นอย่าไปคิดว่าเขาเหมือนเราเขาไม่เหมือนเราเขาไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วเหมือนเราเขาจะไม่ทําสิ่งที่แล้วเขาควรจะทําเขาเขาเขาจะไม่เขาจะหยุดทําในสิ่งที่เขาควรจะหยุดเขาไม่รู้เขาก็ทําไปตามภาษาของเขาเราอย่าไปถือโทษก oid เคืองเขาเสียเวลาเปล่าๆคาถามจากทางไลน์ครับการเตือสินแปด สามารถเปิดยูทูบฟังเทศจากครูบาอาจารย์ได้ไหมครับได้การถือการฟังเทศฟังธรรมนี่ไม่ถือว่าเป็นการบันเทิงไม่ได้เป็นมหรสยเป็นการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ให้ถือศีลแปลดเพื่อจะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาอ่านหนังสือธรรมะกันไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงกันคำถามที่สองครับถ้าเราได้ก่อกรรมหนักที่ผลกรรมทํำให้เราไปอบาย เราจะปฏิบัติอย่างไรให้บรรเทาผลกรรมได้ไหมครับได้พยายามทำบุญให้มากขึ้นใ ห, ให้บุญมีกำลังมากกว่าบาปแล้วบาปก็ยังจะไม่มีโอกาสที่จะส่งผลเช่น อ, องคุลิมาฆาคนมาต้องก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่พอมาพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์บุญของพระอรหันต์นี่มีกาลังมากกว่าบาปที่ทาไว เเจงไไม่ต้ออปกิดในบาคำถามจากคุณวิโรธค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ีสี่ดีห้าเรานอนฟังเสียงสวดมนต์ได้ไหมครับหรือต้องลุกขึ้นหรือเปลี่ยนช่องครับคือการนอนมันเป็นท่าขี้เกียจเดี๋ยวกลัวจะหลับต่อถ้าต้องการสมาธิต้องการความส ง, งบก็ต้องลุกขึ้นมานั่ง อยู่ในท่านั่งขัดสมาธิหรือนั่งพระเพียบแล้วก็ฟังไปแล้วใจก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ถ้าอยู่ในท่านอนมันไม่มีสติมันมันสบายเกินไปมันพร้อมที่จะหลับพอมีเสียงสวดมนต์มาก่อมเดี๋ยวมันก็เข้าสู่พวังหลับไปคำถามจากคุณเบลคะ่ะน้อมกราบขออุบายการภาวนาครับ ก็เนี่ยต้องพยายามฝึกสติให้มากๆมันจเจริญพุทโธพุทโธไปทั้งวันอย่ามาพุทโธเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นมันกําลังไม่พอต้องเตรียมไว้ก่อนต้องสร้างสติให้มีกําลังมากถ้าเรามีสติพุทโธได้ทั้งวันนี้พอเวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่ายได้เร็วเราจะนั่งแล้ ร, รู้สึกสบายไม่รู้สึกอึดอัดถ้าเราไม่มีสตินี้เวลาจะนั่งแต่ละครั้งนี้มันรู้สึกอึดอัด มันรู้สึกมีอะไรต่อต้านมันอยากให้เรานั่งเพราะสติไม่สามารถควบคุมกิเลสได้แต่ถ้าเรามีสติสติจะควบคุมกิเลสจะควบคุมการการต่อต้านได้เวลานั่งจะไม่รู้สึกเกิดอัด น, นั่นแล้วรู้สึกสบายมีความสุขหมดแล้วยังคำถามสุดท้ายคำถามจากคุณดินน้ํำลมไฟเช้าค่ะ นิมิต ท, ที่เป็นจริงบ้างไม่เป็นไม่เป็นจริงบ้างเข้ามาบอกสอนมาเตือนคะ่ะบางครั้งเป็นองค์พระบ้างนี่เป็นนิมิตอันดีที่เราเดินมาถูกทางหรือยังเจ้าคะออความจริงนิมิตนี้ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัตินี้เราควรที่จะเข้าหาความสงบจะดีกว่านิมิตนี้อาจจะเป็นภัยหลอกเราได้ถ้าเราไม่ฉลาดเดี๋ยวเราก็จะถูกหลอก แล้วนิมิตนี้มันจะมาขวางการทําใจให้สงบะงั้นอย่าไปสนใจถ้าเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญาอย่าเพิ่งไปสนใจกับพวกนิมิตต่างๆพยายามมาฝึกจิตให้สงบเวลามีนิมิตก็อย่าไปสนใจให้เกาะอยู่กับการภาวนาไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆเพื่อจิตจะได้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุบเบกขาเพื่อที่เราจะได้เอามาใชในการกําจัด กิเลสตันหาต่อไปหมดแล้วนะอา้อาวยังเหลือสองนาทีจากคุณจักกิจเจ้าคะ่ะกราบนมัสการพระอาจารย์คนที่นับถือศาสนาอื่นถ้าเขาปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเขาจะบรรลุธรรมได้ไหมครับได้ก็ไม่ได้อยู่ที่ว่านับถืออะไรไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นชาวอะไรเอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดตอนต้นว่า ไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นไม่เป็นคาลวาสเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ถ้าศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็บรรลุมรรคผล่ผพานได้เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ